Thank you. ช่วงนี้ระดับน้ำในสระมันต่ำมากนะเดินข้ามสะพานก็เห็นตอมากมายผุดขึ้นมากปกติถ้าเป็นปีก่อนๆเนี่ยถึงเดือนวิทุนาเนี่ยหรือพฤษภาือน้ำนี่ก็จะเต็มสระการที่น้ำเต็มสระนี่นะมันก็ สวยงามนะน้าเต็มสระแล้วก็ไม่เห็นต่อก็เป็นความสวยงามนะที่ใครๆก็ชื่นชมแต่พอน้าลดนะต่อมากมายนะก็ผุดขึ้นมาที่จริงจะว่าผุดก็ไม่เชิงนะเพราะมันก็มีอยู่อย่างนั้นมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าน้ำถ้าเป็นในช่วงฤดูฝนเนี่ยน้ำที่เยอะ เต็มสระมันก็มันก็ปกปิดเอาไว้ทําให้เราไม่เห็นต่อที่อยู่ใต้น้ำํำมอในแง่หนึ่งน้ําที่เต็มสระนี่มันก็หลอกตาเรานะมันก็ลวงเราลวงเราตรงที่ว่าทําให้เรามองไม่เห็นต่อมองไม่เห็นอีกด้านหนึ่งของสระ ซึ่งเป็นด้านที่ไม่สวยงามแต่มันก็เป็นความจริงนะที่เราปฏิเสธไม่ได้สภาพที่เห็นต่อผุดขึ้นมามากมายปรากอกับสายตาเราก็เป็นความจริงนะของสระที่นี่ถึงแม้มันจะดูไม่สวยไม่งามแต่ว่าก็เป็นความจริงที่เราก็ต้องยอมรับแลวมันก็เป็นประโยชน์ด้วยถ้าเกิดว่าเราได้รู้ว่าอ๋อต ร, ต, รตรงนี้เนี่ยมีต่อ ต่อบางอันก็แหลมเราก็จะระมัดระวังจะ ก, กระโจลงไปก็ต้องแน่ใจว่ามันไม่มีต่ออยู่ตรงนั้นหรือไม่มีต่อแหลมก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะภาพที่เราเห็นเห็นภาพในศาลแล้วบดไม่ได้นะที่จะนึกถึงจิตใจคนเราบางครั้งเนี่ย สิ่งที่ปรากฏหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเรามันก็ลวงเราเหมือนกันคือใจเราเนี่ยนะจะว่าไปเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากสะนี้นะมันก็เต็มไปได้ต่อแต่ไม่ใช่ต่อไม้แต่เป็นตอกิเลสนะหรือว่าต่อแห่ง อ, อัตตา ไอ้ตองี้เลยหรือต อ, อัตาหรือเรียกให้มันเต็มสูตรว่ามาตัญหามาณทิฐิเนี่ยมันก็อยู่ในใจของเราแต่บางทีเราไม่เห็นนะเราไม่เห็นเทราว่าก็เหมือนกระแสนี่แหละน้ํานะน้ํามันบังเอาไว้นะมันปกปิดเอาไว้ในยามที่เราสุขสบายดีเรามีความสุข จิตใจรับรื่นเบิกบานเราก็อาจจะไม่ตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเนี่ยมันมีกิเลสมันมีอัตตาที่ซ่อนอยู่บางคนพอจิตใจสบายนะไม่กระเพื่อมหรือว่าสงบก็อาจจะเผลอคิดไปว่าเรา มีกิเลสเบาบางแล้วหรือว่าอาจจะถึงขั้นไม่มีกิเลสเลยก็ได้อนัตปฏิบัติบางคนปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันราบรื่นไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์แต่ว่านั่นเป็นภาพหลวงตาก็ได้พอมีอะไรมากระทบเข้าก็ไม่ต่างจากสะนะตอนน้ำลดต่อก็ผุด พอมีอะไรมากระทบที่ไม่เป็นไปดังใจหวังหรือไม่รับรื่นสะดุดขุกขานี้ตัวกิเลสมันโผล่เลยในสายพุทธการก็มีนางพรามณีคนหนึ่งนะชื่อเวเทหิกาก็เรียกว่าเป็นเป็นเมียของข้าบดีมีบริษัทบริวารมีข้าทาส น, นะ ที่คอยช่วย อ, อำนวยความสะดวกดูแลรับใช้เธอก็รู้สึกว่ามีความสุขจิตใจก็ราบรื่นสบายแล้วก็เลยเผอคิดไปว่าเนี่ยอย่าฉันนี่มีธรรมะปฏิบัติธรรมได้ดีไม่มีความเครียดไม่มีความโกรธจิตใจนะไม่กระเพื่อม แล้วก็อดคุยอดคุยโม้ไม่ได้วันนี้ฉันปฏิบัติดีฉันนี่เข้าถึงธรรมแล้วนะไม่มีความโกรธก็มีนางทาสีคนหนึ่งนางทาสีคือนางธาตนี่แหละก็อยากจะลองอยากจะลองจะเรียกว่าลองดีก็ได้อยากจะรู้ว่ า, านาง เวทีการหรือเจ้านายเนี่ยเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่านะก็คือว่าปฏิบัติธรรมได้ดีไม่มีความโกรธจิตใจราบรื่นเหมือนน้ำในสระวันหนึ่งก็เลยแก้งตื่นสายนะพอตื่นสายเนี่ยนะหน้าที่ของเธอที่ควรจะทำก็ไม่ได้ทำดังเวทีกานะ ก, โก็โกรธโกรธขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันมีเรื่องขัดใจนะก็ด่าว่านะนางทาสีคนเนี้นางทาสีคนนี้ก็เลยก็เลยบอกกับเจ้นนายว่าเนี่ยไหนท่านว่าท่านไม่โกรธนะท่านปฏิบัติทําได้ดีแล้วนะทำไมถึงโกรธทําไมถึงด่าว่าดิฉันนะอันนี้ก็เรียกว่าน้ําลดต่อผุดได้เหมือนกันนะ คือพอมีอะไรที่ขัดใจขึ้นมาไม่ถูกใจขึ้นมาไอ้ที่เคยคิดว่ากินเล็มันหมดไปแล้วเรือมันลดน้อยถอยลงไปแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาเลยมันก็สำแดงตัวสำแดงอาการหรือว่าชูคอขึ้นมาเลยไอ้ที่ไม่โกรธเนี่ยนะไม่ใช่เพราะาไม่มีกินเล็แต่เป็นเพราะว่าทุกอย่างชีวิตประจําวันมันราบรื่นมันสบาย ใครๆก็ทำตามความปารถนาของตัวไม่มีอะไรติดขัดก็เลยรู้สึกว่าว่าจิตใจนี่ฉันได้พัฒนาแล้วที่จริงไม่ใช่หรอกยังเหมือนเดิมตัวกิเลสมันก็ยังยังอยู่มันเดินแต่ว่ามันถูกกลบเอาไว้หรือว่ามันซุกซ่อนอยู่ก็ได้อาการที่มีอะไรมา มีสิ่งติดขัดหรือทาให้ค่องขัดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสาเน่พอน้ำลดเนี่ยตอก็ปุดคนเราเนี่ยพอมีอะไรมากระทบจิตกระทบใจนะหรือว่ามีอะไรมาจะเรียกว่ากระแทกตัวตนก็ได้นะไอตัวตนหรืออัตตา ม, มันก็โกรธมันก็โผ่ชูคอขึ้นมานะแสดงตัวตนให้เห็นแล้วว่าที่จริงมันยังมีอยู่มันยังซ่อน มันยังอยู่ในจิตใจส่วนลรืเพียงแต่เราไม่เห็นเท่านั้นเองบางครั้งเนี่ยกิเลสหรืออัตตาเนี่ยมันก็ซ่อนตัวเก่งนะมันซ่อนตัวเก่งมากมันสามารถที่จะหลอกให้เราคิดว่ามันไม่มีอยู่แล้วในใจเราให้ความชั่วร้ายเนี่ยนะหรือกิเลสเนี่ยมันมันเก่งมากในการพรางตัวมันเก่งมากในการที่จะลวงให้เราหลง จนเราตายใจว่ามันไม่มีอยู่แล้วในใจเราแต่ที่จริงเนี่ยนี่เป็นลูกไม้ของมันเพื่อที่มันจะได้อยู่ได้อย่างลอยนวลโดยที่ไม่มีอะไรมามากระทบมาวุ่นวายกับมัน น, นะนะพอคนเราตายใจว่าไม่มีกิเลสล้ะมันก็ก็หยุดนะแม้จะเป็นพระแม้จะเป็นอ่าภิกษุหรือนักปฏิบัติธรรมแต่พอพอเคี่ยวไม่มีกิเลสล้ะไอการที่จะ คานหากิเลสนะการที่จะพยายามขัดหรือขูดกิเลสไปมันก็หยุดนะเพราะถือว่าจบกิจแล้วมันก็เลยสบายนะอยู่รอดปลอดภัยและสิ่งเดียวนะบางครั้งเนี่ยสิ่งเดียวที่จะทำให้มันแสดงตัวออกมาก็คือต้องเจอสิ่งที่มากระทบใจท่าพุทธการก็มีพาพรูปหนึ่งท่านปฏิบัติอย่าง คำเคลงรงกันทั่งท่านเข้าใจาท่านบรรลุนิพพานแล้วแล้วก็หลงคิดว่าบรรลุนิพพานหรือเป็นพระอรหันเนี่ยมันนานมากหลายสิบปีเลยนะสี่สิบ้าสิบปีเลยนะกิเลสมันมันมันฉลาด น, นะมันซ่อนมันหลบซ่อนอยู่ท่านรูปนินท่านก็ตายจากว่าหมดกิเลสแล้ววันดีคืนนี้ไปทุดงในป่าก็ก็ว่าเจอช้างป่าเนี่ยมันไล่นะ ช้างป่านี่มันมันไล่พรานนี่ก็ก็เกิดตกใจขึ้นมาวิ่งหนีช้างป่าไอตอนที่ตกใจนี่แหละก็เลยรู้เลยว่าโอ้เรายังมีกิเลสอยู่ยังมีอัตตายังมีความยึดติดในตัวตนอยู่เพราะถ้าไม่มีกิเลสไม่มีความยึดติดเนี่อัตตาเนี่ยไอความกลัวมันเกิดขึ้นไม่ได้ไอกลัวเพราะมันมีความรักตัวเนี่ยอย่างที่เขาเรียกว่ารักตัวกลัวตายเนี่ย ก็แปลว่าหมายความว่าพอ ร, รักตัวจึงกลัวตายและที่รักตัวก็กเพราะว่ายัางมีความเชื่อมีตัวอยู่ให้รักนะกลัวนะกลัวเพราะกลัวพอตัวตนนะ่ะจะแตกดับไปก็แสดงว่ายัางมีความเชื่อมีความหลงว่ามีตัวตนอยู่ท่านเลยรู้ว่าโอ้เราไม่ได้นิพไม่ได้เป็นพระอระหันต์ก็เสียใจนะหลงคิดว่าเป็นพระอรหันต์มาต้องหลายสิบปี แต่ว่าข้อดีคือก็รู้นะรู้ว่ารู้ความจริงว่ามันยังมีกิเลสอยู่นะแม้จะเสียใจนะแต่ว่าถ้ารู้จักหาประโยชน์จากมันก็จะพบว่า อ, อ๋อเรารู้ความจริงละเราเจอเจ้าตัวร้ายนะที่จะต้องจัดการนะไม่ใช่ว่าตายไปโดยที่ไม่ไม่รู้นะว่ากิเลสมันอำพรางตัวอย่างไรบ้าง อันนี้เรียกว่าโง่จนตายนะโง่จนวาระสุดท้ายก็ได้บางทีเนี่ยนะจะรู้จักกิเลสได้หรือว่าจะรู้ทันกิเลสได้มันก็ต้องมีอะไรมากระทบนะอย่างสมัยสมัยรัชกาลที่สี่หรือกันที่สามเนี่ยนะหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตเนี่ยท่านเป็นพระที่ผู้คนเคารพศรัทธามากก็มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งนะมา มาบอกกับหลวงพ่อโตว่วาอีชันเนี่ยหมดกิเลสแล้วนะเป็นพระอรหันต์แล้วก็คุยโมนะอาการคุยโมเนี่ยมันมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามีอัตตาอยู่แต่เจ้าตัวไม่รู้ก็ยังหลงไปหลงคิดว่าฉันไม่มีกิเลสกิเลสที่มาซุกซ่อนอยู่นะมาแม่ซุกซ่อนปอบ ป, า, ปามันลวงให้หลงด้วยว่า ไม่มีกิเลสหรือไม่มีตัวมันอยู่ในจิตใจแล้วหล ว, วงพ่อโตต้องทำยังไงต้นก็พูดขึ้นมาเลยอีตอแหลพอพูดเท่านี้แหละนะพอได้ยินเท่านี้แหละนะอโยอมันนี้ก็โกรธเลยโกรธทันทีไอตอนที่โกรธยังไม่รู้นะยังไม่รู้ตัวนะก็ยังต่อว่าหลวงพ่อโตอีกนะต่อหลังถึงถึงขั้นว่าโอ้เรายังเป็นปุถุชนอยู่นะ พอถ้เป็นพระอหันี่ต้องไม่โกรธอินิเลนี่มันพอมีอะไรมากระทบนี่มันมันไม่ยอมนะมันจะสู้พอไปดาวอพอถูกดาวอีตอนแหลเนี่ยไอตัวอัตตานี่มันไม่ยอมเลยมันจะสู้นะะเรียกว่าตัวมานะก็ได้นะตัวมานะความสําคัญไม่ห ม, มายว่าฉันดีฉันประเสริฐคําว่ามานะนี่มันไม่ใช่เป็นคําที่ดีนะในพุทธศาสนาเนี่ยในภาษาบาลี อย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นผู้ที่ตัดซึ่งมานะและ้วพะผู้ทธจาเนี่ยเป็นผู้ที่ตัดซึ่งมาะนะนะหรือว่าลดมานะคือทงลงเสียได้นะที่เราสวพดพระตุคุเมื่อกี้เนี่ยอถ้าเราตั้งใจสวดล้วก็จะพบว่าไอ้มานะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะจึงพูะพุทธจาเนี่ยจึงตัดเสียหรือว่า ลดลงนะเหมือนกับลดทงจากเสาจากยอดเสาแต่มาหน้าภาษาไทยมันแปลว่ากลายเป็นของดีไปแปลว่าความเพียรพยายามหลายคนก็ตั้งชื่อรล้ว่ามานานะะณาไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่รล้วเนี่ยไอ้มาณาที่คือกิเลสที่ต้องกําจัดนะขณะนี้ตัวมาณาเนี่ยพอมันอยู่ในพอถ้ามันอยู่ในใจเราเนี่ยนะมันก็ทําให้เกิดความสําคัญตนว่าฉันดีฉันเก่ง หรือว่าฉันหมดกิเลสแล้วพอถูกด่าว่าอีตอนแล้นะนั่นเน่ยมานะมันก็จะเถียงก็จะสู้มันก็ชูคอโผลขึ้นมาเลยมันโผจากที่ซ่อนนะพอถูกลงพ่อโตด่าวอีตอนแหล่นี่มันโผมาจากที่ซ่อนนะออกมาตอบโต้ทันทีนะก็เลยรู้เลยนะก็เลยรู้ว่าเอฉันยังมีกิเลสอยู่เนี่ยฉันยังมีมานะอยู่ มีประโยชน์เหมือนกันนะไอการที่เจออะไรมากระทบเนี่ยเพราะว่ามันทำให้ตัวกิเลสมันโผล่มาไม่งั้นเนี่ยเราก็จะหลงนะว่าเราดีเราประเสริฐนระาปฏิบัติทําหลายคนเนี่ยนะปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็เกิดความสำคัญไม่หมายว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนประเสริฐนะบางทีนึกยกตนข่มท่านหรือว่าเยียดผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว อไปดูถูกคนที่ไม่เข้าวัดไปดูถูกคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมนะหรือบางทีก็ไปดูถูกเพียงแค่ว่าเขาไม่ได้สวมเสื้อขาวนะรุ่งขาวห่วมขาวมาวัดนะก็ไป น, นึกเหยียดเข้าในใจว่าเนี่ยไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ชาววัดเนี่ยอาการอย่างนี้มันแสดงให้เห็นถึงมารนะทิฏฐิแต่ว่าเจ้าตัวก็อาจจะไม่รู้เพราะว่า มานาทิฐิหรือกิเลสเนี่ยมันก็ฉลาดในการหลอกตัวเรานคนอื่นเห็นแล้วว่าเรามีกิเลสเรามีมานะแต่เราเองไม่เห็ น, นเพราะว่าตัวกิเลสมันฉลาดนะมันหลอกตัวเจ้าของได้บางทีมันก็ฉลาดนะหลอกด้วยการเอาความดีเนี่ยนะมาแอบอ้างหรือใช้ความดีนะมาปกคลุม ตัวมันตัวมันเนี่ยเน่าไนงะน่าเกลียดแต่ว่ามันก็สามารถจะอัมพรางตัวในคราบของนักปฏิบัติธรรมหรือเอาธรรมะนะเอารูปแบบการปฏิบัติเนี่ยมามาหลอกนะมาหลอกคนอื่นแล้วก็หลอกตัวเองด้วยบางทีหลอกคนอื่นก็ถึงไม่เชื่อนะแต่หลอกตัวเองเนี่ยหลอกมันหลอกได้ผลนะ พอไปหลงคิดว่าฉันเป็นคนดีทันทีที่เราคิดว่าฉันเป็นคนดีเมื่อไหร่ให้รู้ว่านั่นอ่ะเป็นผลงานของกิเลสแล้วล่ะเป็นผลงานของมานะนะแล้วพอคนดีจริงเนี่ยเขาจะรู้เลยว่านะเขายังมีการบ้านอีกมากมายที่ต้องทําเขายังมีกิเลสอีกมากมายที่ต้องจัดการนะไอคนที่ไม่ดีจริงเนี่ยก็จะไปคิดว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนประเสริฐแล้ว นะเพราะว่าถูกกิเลสมันมันหลอกมันตบตานะให้หลายคนเนี่ยนะเวลามาปฏิบัติธรรมก็มาปฏิบัติธรรมเพราะแรงจูงใจของกิเลกก็ได้นะก็คืออยากจะให้คนชมอยากจะให้คนสารเสริญอยากจะสร้างภาพอันนี้รวมไปถึงการทําบุญด้วยนะนะทําบุญเนี่ยที่จริงเนี่ยมันก็มีวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายคือเพื่อลดความตนหนีลดกิเลสนะ อันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของการทำบุญหรือการให้ทานในพุทธศาสนาแต่ว่าหลายคนมาทำบุญนะก็เพราะว่าถ้าไม่ทำด้วยความโลภนะอยากได้โชคได้ลาบนะก็อาจจะทำเพราะว่าทำด้วยอำนาจของมาณนณ์ก็คืออยากจะให้คนชมอยากจะให้คนสรรเสริญมาปฏิบัติธรรมก็มาด้วยจุดมุ่งหมายแบบเดียวกัน พอเห็นว่ามันช่วยนะสร้างภาพให้ตัวเองดีขึ้นนะในสักสี่สิบห้าสิบปีก่อนมันมีสัมนวนหนึ่งนะที่พูดรู้จักกันดีในหมู่แวดวงนักปฏิบัติธรรมแวดวงชาววัดก็คือสัมนวนที่ว่าทําบุญเอาหน้าภาวนาตอนแหล่เคยได้ยินไหมทาบุญเอาหน้าภาวนาตอนแหล่เนี่ย นี่เป็นคําเตือนใจให้ที่ดีนะไม่ได้มีอาไว้เพื่อถามถางใครแต่เพื่อเตือนใจว่าเราเอาต้องระวังให้ดีนะเพราะถ้าเราไม่ระวังให้ดีกิเลสมันจะมาครอบงําใจสุดท้ายแม้กระทั่งทําบุญนะมันก็เป็นการทําบุญเพื่อสนองกิเลสนะก็คือว่าเอาหน้าเอาหน้าคือว่าเพื่อจะได้ประกาศตัวตนนะประกาศตัวตนสมัยนี้ก็ มันมีช่องทางประกาศตัวตนได้หลายอย่างนะเช่นเอาขึ้นเฟซบุ๊กเนี่ยนะเฟซบุ๊กนี่ก็เป็นช่องทางในการประกาศตัวตนหรือว่าเป็นช่องทางที่จะให้ใครนะที่ไม่รู้เท่าทันกิเลสเนี่ยก็กลายเป็นการทำบุญเอาหน้าไปไงั้นถ้าเราถ้าเราไม่ประมาทนะแล้วเราจริงใจกับการปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งขจัดกิเลสเนี่ย ก็ต้องระแวดระวังนะอย่าให้การทําบุญของเราเป็นการเอาหน้าอย่าให้ภาวนาของเราเป็นการตอนแหล่คือหลอกลวงนะเจอไม่น้อยทีเดียวนะคนที่ทําตัวเป็นนักปฏิบัติธรรมนะนะเข้าวัดถือศีล น, นะแล้วก็วันดีคืนดีก็ไปสังเวยชนีสถาน นะเพื่อไปทำบุญหวังจะไม่ไม่ตกอบายนะมีความเชื่อวถ้าไปสังเวชในสถานแล้วนะจะเป็นการปิดอบายแต่ว่าพอทำมาค้าขายนะก็ไม่ซื่อสัตย์จริตนะหรือว่าบางทีก็กโกงนะมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นหมอนะก็เห็นว่าคนนี้เป็นนักปฏิบัติธรรมนะ ไปทําบุญสังเวยสถานที่อินเดียด้วยกันก็คิดว่าเขาจะซื้อสัตว์นะทาซื้อที่นะราคาเนี่อ่าเป็นสิบสิบล้านนั่นนะแล้วก็ตายใจบอกว่าสุดท้ายโดนหลอกนะโดนหลอกโดนเบี้ยวแล้วก็แล้วก็บกเสียใจนะแล้วก็ตกใจมากไม่คาดคิดเลยว่าทำไมนักปฏิบัติทำนะถึง ถึงกะถึงโกงได้ขนาดนี้นะอันนี้มันก็สะท้อนนะว่าให้คนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่ซื่อหรือมีศีลไปทั้งหมดนะเพราะว่านักปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับพระเช่นเดียวกับคนในวงการต่าง ๆ, ๆนะพระที่ไม่ซื่อพระที่ผิดศีลก็มีเยอะนะ ถึงขั้นโกงเงินนะก็มีไม่น้อยนะไม่ใช่เฉพาะที่เป็นเรื่องเป็นราวนะช่วงนี้เท่านั้นนะแต่ที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่เป็นข่าวก็เยอะอันนี้เพราะว่าต้องถือว่ามันเป็นความชานฉลาดขงกิเลส น, นะที่มันสามารถที่จะหลอกแม้กระทั่งนักปฏิบัติธรรมหรือหลอกแม้กระทั่งคนที่เป็นพระหลอกจกนกระทั่งสามารถจะครองจิตครองใจนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะนะคนที่คนที่คนที่จริงใจกับการขัดเกลากิเลส ข, ของตัวเองเนี่ยบางทีอาจต้องนะอาศัยสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มากระทบจิตกระทบใจเนี่ยหรือสิ่งที่ขัดออกขัดใจเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าเรายังมีกิเลสอยู่ เพราะว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันมันลงนะมันเหลิองนะว่าฉันนี่ดีพร้อมแล้วนะฉันดีเลิศประเสริฐีแล้วอันนี้มันเป็นอุบายของกิเลส ข, ของอัตตานะที่มันลวงเราไอ้คนที่คิดแบบนี้หรือลงแบบนี้มีเยอะแบบนี้ก็ต้องเจอกับแรงกระแทกนะเช่นถูกด่าบ้างละหรือว่าเจอสิ่งที่มันไม่ถูกออกถูกใจบ้างลนะเจอสิ่งที่ขัดออกขัดใจบ้าง มันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันช่วยทำให้ไอ้ตัวกิเลสเนี่ยหรือตัวตาเนี่ยมันมันโผล่หรือมันชูคอขึ้นมาไอ้ที่เคยอยู่สบายที่เคยหลบซ่อนอยู่เนี่ยพอเจออะไรมากระทบเช่นลูกน้องไม่ทำตามคำสั่งหรือว่าเจออ่าคำต่อว่าด่าทอหรือว่าเจอความสูญเสียหรือว่าเจอ คนที่เขาทำไม่ถูก อ, อกถูกใจเรามันจะเกิดความโกรธขึ้นมาไอ้กิเลนี่มันจะเก็บมันจะเก็บซ่อนอาพรางตัวไม่อยู่นะพอมีเจออะไรมากระทบเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาในรูปของความโกรธในรูปของความกลัวแม้กระทั่งในหลวงความน้อยเนื้อต่าใจทำดีแล้วทำไมฉันไม่ได้ดีทำดีแล้วทำไมมีไม่มีคนชม อันนี้มันก็เป็นความน้อเนื้อต่าใจของหลายคนนะให้รู้ว่านี่ยมันก็เป็นฝีมือของกิเลสเหมือนกันก็คือว่ามันอยากได้คําชมมันอยากได้คําชื่นชมสรรเสริญถ้ามันมีอาการแบบนี้ก็แสดงว่ากิเลสเนี่ยมันโผล่มาแล้วการที่มันโผล่มานี่ก็ถือเป็นข้อดีนะทําให้เรารู้ว่าเรามีกิเลสตัวไหนที่ต้องจัดการบ้างคนที่จริงใจกับการขัดเกลาตนเองคนที่จริงใจกับการที่จะ พัฒนาจิตลดละกิเลสเนี่ยต้องมองว่าไอ้แบบนี้เป็นของดีนะเจอน้ํารถและต่อผุดเนี่ยนมะันก็ได้รู้ว่าโอเนี่เรายังมีการบ้านที่ต้องทําเยอะอย่าไปโกรธคนที่เขาขัดออกขัดใจเราอย่าไปโกรธคนที่เขาด่าว่าเราอย่าไปโกรธคนที่เขาอ่าทําให้ถูกใจเราเพราะเขากําลังทําให้เราเห็นตัวเองทําให้เราตื่นจากหลงตาสว่าง แล้วก็ทําให้เรารู้ทันกิเลสมากขึ้นอันนี้คือประโยชน์นะของสิ่งที่ามากระทบนะกับเราไอ้สิ่งที่ขัดอกขัดใจเนี่ยนะถ้าเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นใช้ให้ถูกนะมันก็ช่วยขัดใจเราให้สะอาดได้นะมันไม่ได้แปลว่าต้องขัดทําให้ใจเราขัดข้องเสมอไปคนฉลาดเนี่ยพอเจออะไรที่ ขัดอกขัดใจยมันจะรู้สึกขัดคล่องเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจแต่คนฉลาดเนี่ยก็จะใช้สิ่งนั้นมาขัดใจขัดใจสะอาดนะเป็นตัวขัดกิเลสให้มันออกไปจากจิตใจทําให้จิตใจสะอาดเมื่อก็เราขัดหม้อนะขัดหม้อขัดเถืงก็ขัดทองหรือให้มันใสให้มันเบาเงาเบาวามนวต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณ สิ่งเหล่านี้ที่มันมาขัดใจเราเพราะถ้าไม่มีกิเลสมันก็ไม่โผล่ออกจากที่ซ่อนแน่นอนนะเวลาเกิดอาการแบบนี้เกิดสิ่งเหตุการเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์เกิดความไม่พอใจก็ให้รู้ว่าไอ้ที่ไม่พอใจคือกิเลส น, นะกิเลสมันไม่พอใจกิเลสมันทุกข์เวลาถูกด่าถูกว่าแล้วมีความไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่พอใจไม่ใช่เราทุกขนะ์นะกิเลสมันทุกข์ มันกำลังถูกทรมานนะถ้าเราต้องใจที่จะกำจัดกิเลสนะก็ต้องมองเออดีเหมือนกันนะทรมานมันบ้างทรมานมันบ้างมันจะได้หายกำเริบเสบสารนะมันจะได้ไม่มาครองจิตคลองใจของเราคนที่มีปัญญานี่นะที่มุ่งจะปฏิบัติเพื่อขัดเกลาตนเองเนี่ย ให้เจอสิ่งที่มากระทบกระแทกนี่เป็นของดีทั้งนั้นแหละอันนี้บร็นึงความยากลำบากด้วยนะไม่ใช่แค่คนต่อว่าดอทอนะคนพูดจาไม่ดีหรือว่าคนไม่ทําตามคำสั่งของเราเจอความยากลำบากเนี่ยแล้วมันก็สามารถจะขย่าวกิเลสให้โผล่ขึ้นมาได้เหมือนกันนักปฏิบัติธรรมหรือว่าพระสมัยก่อนเนี่ยท่ก็เลยนะ เห็นความจาเป็นเห็นประโยชน์การทุดงเนี่ยทุดงเนี่ยมันก็กคือืนพาตัวเองเออกไปจากความสะดวกสบายออกไปเจอความยากลำบากและคนเราเนี่ยพอเจอความยากลำบากแล้วเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นเราให้กิเลสโผล่ไม่ได้เหมือนกันเลยเช่นบนโวยวายนะแดดก็ร้อนอากาศก็หนาวนะหรือว่าบางทีก็กลัวนะกลัว ทุดงในปา่าลึกกลัวเสือกลัวช้างกลัวงูไอ้แบบ น, นี้มันไม่เกิดขึ้นหรอกนะเวลาอยู่อยู่วัดอยู่กุฏิสบายๆเนี่ยเพราะมันปลอดภัยนะมีคนมาบิณฑบาตมาถวายอาหารได้กินเชา้ากลางวันเพลนะไม่มีอดไม่มีอยากนะแต่พอออกไปทุดงเนี่ยนะสมัยก่อนอยู่ในปา่าทุดงในปา่าลึกเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เจอความไม่สุดกสบาย อาหารก็ไม่พอฉันหนะิวนะบางทีก็ขาดแคลนน้ำแล้วก็เจออันตรายแถม บ, บางทีเจอโรคภัยไข้เจ็บไอพวกนี้ล้วนแต่เป็นตัวขย่าวกิเลสให้มันออกมาทั้งนั้นแหละเพราะว่าพอเจอและถ้าไม่ไม่ฝึกไม่ฝึกไม่ฝึกจิตฝึกใจดีดมันจะบน่นมันจะโวยวายมันจะเกิดโทสะก็ถือว่าเป็นการบ้านนะให้เราได้นะ จัดการนะถือว่าน้ํารถต่อผุดเนี่ยเห็นต่อยเยอะๆไปหมดก็จะได้รู้ว่าต่อไหนที่ต้องจัดการนะพอมันแหลมมันเป็นอันตรายก็ต้องก็รู้แล้วมันอยู่ตรงไหนได้ไปไปเลื่อยให้มันเลื่อยให้มันขาดซนะให้เราในรู้จักนะักฉลาดในการที่จะเอาเสิ่งที่มันขัดอกขัดใจหรือมากระทบเราให้เป็นประโยชน์ในการที่จะทําให้กิเลสมันโผล่ขึ้นมาเพื่อเราจะได้เรียนรู้ เวลานะมีคนพูดจากับเราไม่ดีเราเป็นพระนะแต่เขากิริยามารยาทนะไม่มีสัมมาคาระวะนะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนมาฝึกมาทางนั้นนะเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้นะเรื่องเรื่องกิริยามารยาทหลายอย่างก็เขาก็ไม่ได้เรียนมาหลายคนก็ไม่พอใจนะเขามาพูดกับเราไม่มีสัมมาคาระวะในความรู้สึกของเรา เท่นั้นที่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอถ้าเรามีสติรู้ทันเนี่ยก็จะเห็นเลยนะโอ้นี่เรายังยึดติดอยู่นะยิงติดยึดติดในความเป็นพระในความเป็นอาจารย์อันนี้เป็นกิเลสนะที่เราก็ต้องรู้จักนะจัดการแต่ก่อนที่จะจัดการได้เราก็ต้องล่วงมันมีอยู่ในใจก่อนการทำเราไม่ล่ว่ามันมีอยู่ในใ จ, เ ร, จเราจะเราจัดการไม่ได้อย่างไร และบางครั้งการที่จะรู้ว่ามันมีอยู่ในใจเราหรือไม่ก็เกิดจากการที่มีสิ่งมากระทบอะทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายอันเป็นของดีทั้งนั้นแหละนะอย่าไปอย่าไปอย่าไปกลัวอย่าไปโกรธนะให้ถือว่าเนี่ยคือสิ่งที่จะมาช่วยทําให้เรารู้เท่าทันกิเลสแล้วก็หาทางจัดการกับมันนะอย่างถูกต้องเหมาะสมะคำนี้ก็พูดตอนนี้นะอับครับ